พระธรรมเทศนาแผ่นที่51อลำดับที่23โดยหลวงพ่ออินทายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมเมื่อวันที่หสิงหาคม2556มีชื่อเรื่องว่าการภาวนาเบื้องต้นต่อ น, นี้ไปหลวงพ่อจะได้กล่าวแนะนำ พูปฏิบัติธรรมพราะวันนี้มีศรัทธาญาติโยมมารักษาศีลตั้งแต่เมื่อเช้าก่อมากแล้วก็เย็นวันนี้ก็รู้สึกเข็นแล้วก็อบอุ่นแต่วันนี้ตอนบ่ายคณะสงฆ์อเำเภอนามโสมและก็นาฏนายงเป็นบางส่วนได้ร่วมกันมากราบคารวะครูบาอาจารย์ ในท้องจีนอำเภอนาจงของเราหลายวัดก็หลวงพ่อก็ได้กล่าวต้อนรับเลขววาก่าวสมุทธนิยกรถาได้กล่าวแสดงธรรมให้แก่คณะศรัทธาญาติโยมพระลูกพระหลานได้ฟังเมื่อตอนบ่ายใช้เวลานา น, านพอสมควรแต่เย็นวันนี้หลวงพ่อก็คงจะไม่ได้พูดอะไรมากแต่หลวงพ่อจะกล่าว แนะนำคณะสัตธาญาณโยมพระลูกพระหลานจากชั่วระยะหนึ่งจากนั้นก็คงจะให้เริ่มเอาเอ3สาที่หลวงพ่อได้พูดต่างกรรมต่างวรระที่ได้พูดแสดงทมไว้ก็มีเนื้อหาสาระที่ควรจะฟังควรจะศึกษามีอยู่มากมายแต่วันนี้ มีพร ะ, ะอย่างที่หลวงพ่อได้พูดตั้งแต่เช้าแล้วก็ตอนบ่ายผู้ที่เขามาเกี่ยวข้องหลวงพ่อก็รู้สึกว่าไม่ใช่เครื่องจกักรเครื่องยนต์เหมือนกันนะไม่ค่อยเท่าไหร่สุขภาพแต่ถึงยังไงก็ยังเป็นห่วงพระลูกพระหลานโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระที่นว ก, กะที่เขามาบวชที่วัดหลวงพ่ออยากจะให้ ได้ยินได้ฟังหรือว่าแนวความรู้แนวความคิดเรื่อหลักทมคำสอนของพระพุทธศาสนาให้ได้มากเกสุดตลอดถึงพี่น้องประชาชนศรัทธาญาติโยมผู้ที่ขอมารักษาศีลในวันพระในพรรษาแต่นอกพรรษาพวกเราก็ได้ถือเป็นอีกส่วนหนึ่งถึงจะรับนับถือเริ่มใสในพระพุทธศาสนาในพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้า แต่พวกเราก็มีภารกิจธุระก็ได้ห่างเหินออกไปในช่วงอนอกพรรษาแต่ในพรรษาในพวกเราก็คล้ายๆวัดใส่ใจเป็นพิเศษเ อ, อย่างทุกปีที่ผ่านมาแต่ปีนี้รู้สึกว่าศรัทธาญาติโยมรู้สึกว่า อ, อุ่นหนาฟ้าข้างอบอุ่นมากกว่าทุกปีที่หลวงพ่อมองมองดู แต่ถึงยังไงก็อยากจะให้พวกเราคณรัตหายาติโยมทุกทุกท่านไหวในบุญในกุศลสำหรับพวกเราสมเดือนอฟันพระก็มีเพียงส2องวัน8ค่ำสิบาค่ำสามสสิบสองเพียงสิองวัน เ, เราอย่าให้ขาดตกปกพ่องให้พยายามหาช่องทางหาเว ล, เวลา สำหรับมาปฏิบัติธรรมระบาการพูดทางนี้ทางนั้นถ้าพูดอีกแบบหนึง่งก็เหมือนหลวงพ่อเห็นแก่ตัวอยากจะให้ศรัท ธ, ธาญาติโยมเข้ามาปฏิบัติธรรมในวัดตนเองมากๆเพื่อชื่อเพื่อเสียงเพื่อลาภเพื่อยศแต่ตามไม่จริงหลวงพ่อไม่ได้หวังสิ่งเหล่านั้นแต่หวังสำหรับให้พวกเราคณนะศรัท ธ, ธาญาติโยมมาปฏิบัติธรรมก็เพื่อเป็นสมบัติของตนเอง พวกเราเป็นชาวพุทธพุทธทมามะกะพุทธทรบริษัทในเมื่อเราได้ศึกษาได้นำมาประพฤติปฏิบัติแล้วอย่างที่หลวงพ่อเป็นตัวอย่างหลวงพ่อได้หมออกมาประพฤติปฏิบัติตั้งแต่เป็นสมัมมาเนนจนถึงปานนี่ล่ะหลวงพ่อเองก็มั่นใจว่าธรำคําสอนของพระพุทธทเจ้าเป็นสวากขาตธรรมตรัสไว้ชอบจริงๆแล้วนํามาประพฤติปฏิบัติ ก็เห็นผลในการประพฤติปฏิบัติทางด้าน จ, จิตใจได้รับความอบอุ่นได้รับความเชื่อมั่นแล้วก็เมื่อปฏิบัติแล้วก็ไม่ได้เบียดเปลี่ยนตนและผู้อื่นแต่เป็นไปเพื่อความสงบร่มเย็นเป็นสุขทั้งครอบครัวทั้งวงสาคนาญาติทั้งญาติมิตรสหายถ้าว่าพวกเรามีศีลมีธรรมด้วยกันไปนัสถานที่ใดก็จะมีแต่ความร่มเย็นเป็นสุข นี่หลวงพ่ออยากจะให้พวกเราคณะสัตย า, าติโยมทั้งหลายที่ได้ยินได้ฟังจากหลวงพ่อที่ได้บอกกล่าวแนะนำพ่อสอนพี่น้องลูกหลานทุกๆคนให้เป็นคนดีคิดดีทดําดีพูดดีให้มีศีลมีธรรมเมื่อมีศีลมีธรรมแล้วหลวงพ่อเองก็ไม่ได้มุ่งหวังอย่างที่ว่านันนะ่ะเหมือนกับหลวงพ่อชี้กลุ่มรับให้เออคณะสัตย า, า, าติโยมลูกหลานนะ ปฏิบัติตนอย่างนี้อย่างนี้หรือละามาค้าขายทำมาค้าขายอย่างนี้จึงจะรวยนะแต่ลูกหลานไปทามาค้าขายรวยมีเงินขึ้นมาได้ใช้ได้จ่ายลูกหลานก็คงจะเพียงแต่ว่าขอขอบคุณที่หลวงพ่ออินได้แนะนำสั่งสอนบอกกล่าวถ้าหลวงพ่อไม่ได้ยินจากหลวงพ่ออินมาบอกกล่าวพวกเราคงจะหาเงินคำทรัพย์สมบัติ เลี้ยงตัวเองเลี้ยงครอบเลี้ยงครัวไม่ได้ขอขอบคุณหลวงพ่ออินหลวงพ่อก็ได้เพียงแค่นั้นแ่ะได้รับความขอบคุณจากพวกเราท่านทั้งหลายนี้ก็เช่นเดียวกันถ้าว่าหลวงพ่อเป็นผู้แนะนำบอกกล่าวให้คณะสัทายาญาติโยมทุกหมเหล่าให้ทานอย่างนี้นะมีการเสียสละอย่างนี้นะการอยู่ด้วยกันให้รักษายินศีลอย่างนี้นะ สินจะคุ้มครองพวกเราท่านทั้งหลายให้ภาวนาอย่างนี้นะจิตใจของท่านจะได้รับความสงบร่อมเย็นเป็นสุขถ้าจิตใจของท่านสงบแล้วในธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าว่านาิสัตติปรังสุขขังความสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีถ้าจิตใจได้รับความสงบแล้วจะมีความสงบอย่างลึกซึ้งในเมื่อพวกเราปฏิบัติตาม ทำที่หลวงพ่อได้บอกกล่าวเมื่อพวกท่านได้รับความสงบทางด้านจิตใจพวกเราท่านทั้งหลายก็เออขอบคุณหลวงพ่ออินที่ได้แนะนําบอกกล่าวให้นั่งสมาธิทําจิตใจให้สงบมีความสุขจริงหลวงพ่อได้เพียงแต่ได้รับคำํำขอบคุณเท่านั้นเองหลวงพ่อไม่ได้แบ่งสรนปันส่วนในความสุขของพวกเราท่านทั้งหลายที่ได้ประพฤติปฏิบัตริรู้แจ้งเห็นจริงในธรรม แต่หลวงพ่อนี่ก็มีแก่จิตแก่ใจเพราะเหตุลไยเพราะหลวงพ่อได้รับคําแนะนําจากหลวงปู่หลวงตาพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของหลวงพ่อมีหลวงปู่ล่าเป็นต้นหลวงตามหาบัวหลวงปู่จามหลวงปู่แหวนที่หลวงพ่อไปจําพรรษาจากนั้นก็ได้ค้นคว้าตํำรับตาราในพระไตรปิฎกในพระธรรมคําสอนทำมาเลกิีของครูบาอาจารย์หรือประวัติของครูบาอาจารย์แต่ละองค์ จากนั้นก็ได้นํามาประพฤติปฏิบัติในความได้ความมั่นใจว่าทำคําสอนที่พระพุทธเจ้าก็ดีพ่อแม่ครูบาอาจารย์ก็ดีที่แนะนําสั่งสอนบอกกล่าวหลวงพ่ อ, ห ล, พอหลวงพ่อมั่นใจในจะได้นํำทำคําสอนเหล่านั้นออกมาประกาศเผยแผ่บอกกล่าวให้คณะสัตธาญาติโยมลูกหลานให้ได้ยินได้นํามาประพฤติปฏิบัติในเมื่อพวกเรานํามาประพฤติปฏิบัติแล้ว ก็เป็นสมบัติของพวกเราท่านทั้งหลายนี่แหละอันนี้ก็คือการบอกกล่าวให้พวกเราแต่ทางนี้ทางนั้นถึงหลวงพ่อจะบอกกล่าวก็เถอะแต่พวกเราก็ต้องใช้ดุลยพินิษใช้สติใช้ปัญญาใช้าการศึกษาของพวกเราท่านทั้งหลายนํามาฟังฟังแล้วก็นํามากันกรองไตรตรองเหตุและผล ที่ได้ยินได้ฟังจากหลวงพ่อไม่ใช่ว่าหลวงพ่อพูดให้ฟังแล้วพวกเราก็จะเชื่อหมดอย่างนั้นก็คงจะไม่ใช่หลวงพ่อบอกให้แล้วพวกเราท่านทั้งหลายนำไปคิดนำไปพิจารณาการกรองไตรตองเหตุและผลจากนั้นก็ลงมือประพฤติปฏิบัติเนี่มื่อลงมือประพฤติปฏิบัติแล้วความเชื่อจะเกิดขึ้นกับพวกท่านและก็เห็นผลในการประพฤติปฏิบัติของตนเองด้วยนี่แหละ มันเชื่อเองเชื่ออย่างลึกซึ้งไม่ใช่ว่าพูดเข้าไปแล้วก็เชื่อเชื่อไปก็เอาประหลงจองแข็งเหมือนกับไม้ปักขี้เลนหรือก็ล้มไปอีกอแต่ถ้าหากว่าเชื่อด้วยปัญญาศรัทธาไปสัมปยุต ด, ด้วยปัญญาและก็สัมปยุต ด, ด้วยขันติวิรยิยะ เ, เข้าไปแล้วพวกท่านทั้งหลายจะเชื่อมั่นในธรรมคาสอนของพระพุทธเจา้า เพราะทำคำสอนของพระพุทธเจ้าท่านพูดไว้แล้วในพระไตรปิฎกพระพุทธองค์ท่านตรัสกับภาษาริบุตรว่าดูก่อนสารีิบุตรที่เราตถาคตพูดให้ท่านฟังตรัสให้ท่านฟังบอกกล่าวให้ท่านฟังพวกท่านเชื่อไหมภาษาริบุตรว่ายังก่อนพระเจ้าค่ะเพราะว่าข่าพระองค์ยังไม่ได้นำไปปฏิบัติแต่เมื่อข่าพระองค์นาไปปฏิบัติแล้ว ข้าพรองค์จะมากราบทูดเมื่อภายหลังอันนี้ก็คือทำคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ท่านบอกกล่าวเอาไว้ท่านไม่ใช่ว่าพระพุทธเจ้าพูดอะไรให้พระสงฆ์สาวกเชื่อทั้งหมดไม่ใช่อบอกถ้ามีเหตุมีผลจะก่อนค่อยเชื่ อ, อแล้วก็นำไปพประพฤชปฏิบัติแต่พวกเราฟังแล้วปฏิเสธไปเลยอันนั้นก็โง่ประเภทหนึ่งอีกเหมือนกันเพราะเหตุไรปิดหูปิดตาไม่ยอมฟังใคร อันนั้นก็โง่แบบเภศหนึ่งแต่ฟังพอฟังแล้วก็เชื่อไปทั้งหมดเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้พวกเราได้รับการศึกษาทั้งคดีโลกและคดีธรรมพวกเรานำเนื่องเมื่อได้ยินได้ฟังแล้วก็นำมาพิจารณาการกรองไตรตรองเหตุและผลที่ได้ยินได้ฟังหลวงพ่อว่าจะเกิดประโยชน์สำหรับพวกเราท่านทั้งหลายพอทำคาสอนของพระพุทธเจ้า ท่านเป็นสวาขาตธรรมตรัสไว้ชอบแล้วอย่างสมาธิอย่างนี้เป็นตน้นอย่างพวกเราพระพุทธเจ้าท่านว่าให้นั่งสมาธินะทำจิตใจให้สงบเมื่อจิตใจของพวกท่านนิ่งสงบแล้วพวกท่านจะรู้ได้ด้วยตนเองว่ากายกับใจใจกับกายเนี่ยจะเห็นชัดเจนร่างกายเหมือนกับรถอย่างที่หลวงพ่อเปรียบเทียบจิตใจเหมือนกับคนขับรถ แต่หลักทำคําสอนพระพุทธเจ้าให้ความสําคัญเรื่องโซ・เฟอร์รถมากกว่ารถให้ความสําคัญโซ・เฟอร์รถมากกว่ารถคำว่ามโนปุพังเขามาธรรมามโนเสรษฐามโนมายาเรื่องทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้าสาเร็จแล้วด้วยใจถ้าจะแปลให้เข้าใจง่า ย, ายๆก็บอกว่าในรถคันนี้ โชเฟอร์เป็นใหญ่โชเฟอร์เป็นหัวหน้าโชเฟอร์จะทำารจะให้มันไปที่ไหนได้เพราะโชเฟอร์เท่านั้นแต่ลําพังรถคันนี้มันจอดที่ไหนมันก็ทิ้งอยู่ที่นั่นตากฝนก็ตากแดดอยู่ที่นั่นถ้าโชเฟอร์ไม่ขยับเข้ารม่มรถคันนี้มันก็ต้องอยู่ที่นั่นนี่ก็เหมือนกันใจเป็นนายกายเป็นเบาเพราะนั้นขอให้พวกเราพุทธศาสนิกชน ศรัทธาญาติโยมลูกหลานทุกคนใยในการศึกษาในเรื่องนี้เรื่องสมาธิเนี่ยทำจิตใจให้สงบในเมื่อเรานั่งสมาธิทำจิตใจให้สงบขาขวาทับขาซ้ายอย่างพวกเราต่อไปนี้พวกเราจะได้นั่งสมาธิกันแล้วนะนั่งขัดสมาธิขาขวาทับขาซ้ายอย่างพระประธานอย่างพวกเราเห็นต่อหน้าของเรานี่นะ จากนั้นพอขาขวาทาบขาซ้ายแล้วเราก็ปนมมือขึ้นระหว่างอกไหว้ครูซะก่อนเพราะทำคําสอน เ, อเรื่องสมาธินี่ไม่ใช่ความคิดของหลวงพ่ออินอไม่ใช่ความคิดของหลวงปู่มั่นไม่ใช่ความคิดของหลวงตามหาบัว เ, เป็นความคิดของบรมครูคือพระพุทธเจ้เาพระพุทธเจ้าเป็นผู้ได้ตัตโธเป็นพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ จากนั้นพระองค์ก็ได้นำเป็นพระธรรมคำสอนออกมาสอนบอกกล่าววิธีทำรรมสมาธิทาอย่างนี้นะจากนั้นเมื่อเราจะทำสมาธิพวกเราจึงไหว้ครูซะก่อนคือไหว้พระพุทธทเจ้าประนมมือขึ้นระหว่างอกซะก่อนพุทโธธัมโมสังโฆพุทโธธัมโมสังโฆพุทโธธัมโมสังโฆสามจบจากนั้นเอามือลง คือไหว้พระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเป็นบรมครูเป็นพระอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณที่ท่านได้ประพฤติธปฏิบัติแล้วดัานท่านได้เห็นผลแล้วเมื่อท่านได้สําเร็จแล้วรู้ผลแล้วท่านจึงจะประกาศเป็นพระธรรมคือคําสอนแต่งเป็นคําสอนขึ้นมาให้พวกท่านทั้งหลายปฏิบัติอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นะในเมื่อเป็นคําสอนแล้วไปสอนพระสงฆ์คือสาวกะคือพระสงฆ์ ในเมื่อพระสงฆ์ได้ฟังพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าพระสงฆ์ก็นำมาประพฤติปฏิบัติในเมื่อพระสงฆ์นำมาประพฤติปฏิบัติก็ได้ผลในพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านั่นจากนั้นพระสงฆ์ก็ได้นำพระธรรมคำสอนมาบอกกล่าวมาเผยแผ่ให้กับพวกเราเป็นทอดทอดมาตั้งแต่ครั้งพุทธกาลเมื่อ 2,50056 ปีให้หลังถ่ายทอดมากันเรื่อยๆจนมาถึงพวกเรา นนั้นมาถึงพวกเราเราก็ล้ำลึกถึงพระคุณคือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นผู้มีพระคุณยิ่งสําหรับพวกเราท่านทั้งหลายนี่แหละเคียววักไหว้ครูคือไหว้วววพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์พุทธโธธรรมโมสังโฆจากนั้นเอามือลงพอเอามือลงเสร็จแล้วเราให้นึกในใจว่าข้าไปเจ้าจงเป็นสุขผู้อื่นจงเป็นสุข ข้าไปเจ้าต้องการความสุขอย่างไรผู้อื่นสัตว์อื่นวิญญาณอื่นทั่วใจโรคธาตุขอให้มีความสุขอย่างที่ข้าไปเจ้าต้องการอย่างที่ข้าไปเจ้าปรารถนาทุกๆดวงวิญญาณทุกๆดวงใจด้วยเถิดนึกในใจอย่างนั้นจากนั้นก็เอามือลงเสร็จแล้วก็กำหนดลมหายใจเข้าหายใจเข้าพดหายใจออกโทเราปฏิบัติตามแนวแถวสายลงปูมัน หลวงปู่มั่นสอนให้ภาวนาพุโทโธถ้ากําหนดลมหายใจอย่างพระพุทธเจา้าพระพุทธเจ้าไปบําเพ็ญอยู่โคนต้นโพนัน้ท่านมีแต่กําหนดลมหายใจเข้ารู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกรู้ว่าหายใจออกมีสติสัมปชัญญะในลมหายใจเข้าออกแต่หลวงปู่มั่นนํามาประยุกต์ใช้ให้บริกรรมพุทและก็พร้อมกับลมหายใจเข้าออกด้วย สรุปแล้วคือหลวงปู่มั่นได้นำกรรมฐานสองอย่างเข้ามาประยุกต์ใช้ด้วยกันคือกำหนดลมหายใจเข้ากับบริกรรมพดโธอ่าหายใจเข้าพดหายใจออกโถพดโธ、อันนี้คือหลวงปู่มั่นถ้าว่ากำหนดแต่ลมหายใจเข้าออกเฉยๆมันหลุดเร็วมันลืมเร็วหลงเร็วขาดจตติเร็วต้องบริกรรมด้วยอันนี้ก็คือหลวงปู่มั่น ท่านแนะนําสั่งสอนลูกศิษย์ลูกหาของท่านจากนั้นลูกศิษย์ลูกหามีหลวงตามหาบัวหลวงปู่เทศหลวงปู่ขาวหลวงปู่ฟันหลวงปู่ล่าท่านก็ได้นํำทำคําสอนของหลวงปู่มั่นมาถ่ายทอดให้กับพวกเราและหลวงพ่อก็ได้ศึกษามาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์องค์ต่างๆหลวงพ่อก็มาถ่ายทอดให้คณะสัทยา ญ, ญาติโยมลูกหลานได้ฟังอีกเพราะหลวงพ่อได้ปฏิบัติมาแล้วก็ได้ผล จิตใจเข้าสู่ความสงบนี่นี่แหละอันนี้ก็ขอให้พวกเรานำไปประพฤติปฏิบัติดูสินั่งภาวนาดูซิกำหนดดูซิเมื่อจิตใจสงบแล้วครูบาอาจารย์ท่านรับรองว่านัตถิสันติปรังสุขขังความสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีที่พระพุทธเจ้าตรัสหรือบอกไว้นั้นถูกต้องยอมรับเพราะนั้นพวกเราจะยอมรับพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าไหม ถ้าพวกเราปฏิบัติได้หลวงพ่อเองก็มั่นใจว่าพวกเราจะต้องได้รับคำที่ว่านัตถิสันติคำนี้กับพวกเราท่านทั้งหลายเพราะนั้นขอให้พวกเรานั่งภาวนานะแล้วก็ถ้าจิตใจมันยังหลุดออกไปยังอีกขนาดพุทโธยังหลุดอีกให้บริกรรมถี่ๆพุทโธพุทโธพุทโธในใจแตไ่ไม่ต้องบ่นออกปากนะให้สำทับอยู่กับ ตัวผู้รู้ในใจนะพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโ ธ, ท ธ, ทธนึกในใจฮะถ้านอกจากนั้นหลวงพ่อก็แนะนําอีกให้นับหนึ่งสองสามให้ให้นับ 1, 2, หายหายใจเข้าหนึ่งหายใจออกสองหายใจออกสามให้ใจเข้า 1, หนึ่งหายใจออกสองหายใจเข้าสามหายใจออกสีออกค่คล้ายๆกับว่าเวลาหายใจเข้าเป็นเลขขี้หนึ่งเวลาหายใจออกเป็นเลขคู่สอง หายใจเข้าเป็นเลขคี่สามหายใจออกเป็นเลขคู่สีไล่ไปถึงร้อยนะเราไม่หลงไม่เผลอแสดงว่าใช่ได้นะแต่ถ้ามันเผลอนะให้สังเกตดูนะพวกเรานะเวลามันจะเผล่นะี่มันบอเบอรซะก่อนนะหายใจเข้าทั้งที่มันจะเป็น เ, เลขคี่มันกลับเป็นเลขคู่นะทีนี้หายใจเข้าเป็นเลขหหายใจออกเป็นเลขเจ็ดนั่นแหละแปลว่ามันมันขาดนะมันสับจังหวะละ เ อ, อขนาดหายใจไม่ถึงสิบลืมไม่ลู้ ก, กี่ครั้ง อ, อพวกเราจะไปหัวเราะแฮ่แ ห, แ ห, แ ห, แหไม่ได้เดน้นั่นแหะพร้อมที่จะเป็นบ้าได้แนละ้วมันขาดสติมากเข้านะครับเ อ, อเดี๋ยวกูกินข้าวเรียงสูงลูกหลานจะว่าอย่างนั้นได้ไหนะทีนี้เฮ อ, อมันจะหลงลืมไปถึงขนาดนั้นแหะเพราะหแล้วเพราะมันไม่มีสติมันขาดสติเพราะนั้นเราต้องฝึ ก, กไว้นะกณรศัทธาญาติโยมลูกหลานทุกคนนะต้องฝึ ก, กไว้ถึงสติ สติสัมปชัญญะเนี่ยอกําหนดลมหายใจเข้าหายใจออกให้มีสติอยู่กับตัวเองอยู่ตลอดถ้าคนมีสติอยู่กับตัวเองแล้วล่ะนั่นละ่ะฮไม่เป็นอันใจเมื่อไม่เป็นบ้าปพูดง่ายๆเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆท่านนะอเรื่องภาวนาเป็นจิตจําเป็นสําคัญสําหรับพวกเราท่านทั้งหลายไม่ใช่หน้าที่ของผู้ใดใครผู้หนึ่งที่หลวงพ่อแนะนําอย่าง ท, ที่ให้ฟังเนี่ยก็ หลวงพ่อไม่ได้มุ่งหวังอะไรจากพวกเราท่านทั้งหลายถ้าพวกเราท่านทั้งหลายปฏิบัติได้อย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้ปฏิบัติแล้วความสุขความเย็นใจก็จะเกิดกับพวกเราท่านทั้งหลายมีแต่ว่าขอบคุณหลวงพ่ออินที่ได้แนะนำหลวงพ่อได้จะคาชมที่ว่าขอบคุณเท่านเองเราหลวงพ่อไม่ได้แบ่งสรรปันชวนความสุขกายสบายใจจ า, จากพวกเราท่านทั้งหลาย เพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆท่านนะที่ได้ยินหลวงพ่อพูดหลวงพ่อกล่าวในวันนี้หลวงพ่อแนะนำเป็นเบื้องต้นเป็นพื้นฐานสบายก่อนจากนั้นก็ผู้ที่สนใจในภาคปฏิบัติให้เจริญก้าวหน้าขึ้นไปกว่านี้ค่อยมาศึกษามาถามถ่ยกันจะได้รับการแนะนำบอกกล่าวอันนี้คือสมถะคือทำจิตใจให้สงบสวนวิปัสสนา การพิจารณาการกองไตรตองหาเหตุและผลอันนั้นยังมีอีกยาวนานเพราะวิปัชนานี้ยาวสมถฐานี่เพียงแต่ทำจิตใจให้สงบจิตใจให้นิ่งเท่านั้นแหละขนาดจิตใจสงบนิ่งแล้วก็เอาเถอะได้รับความสงบแล้วก็เชื่อมั่นในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าว่าตายแล้วเกิดหรือตายแล้วสูตรเชื่อมั่นในตัวเองแต่ถ้าว่าพวกเราทาจิตใจให้สงบยังไม่ได้ ยังสงสยัยเเผลอๆยังปลามาทไม่เชื่ออีกต่างหาก เ, าเพราะา็นไรเพราะอตาบอดนั่นไม่ยอมใครง่ายๆเหมือนกันนะาตาบอดนั่นไม่ยอมใครง่ายๆนะอะแต่เขาบอกว่าอย่างนั้นอย่างนี้เห็นว่าเอา้ยไม่ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่มีนู่นแหละาตาบอดไปเหยียบน้ำซะเองตาบอดจึงจะรู้นี่ก็เหมือนกันนั่นแหละแต่ตาพวกเราพรา่อแม่ครูบาอาจารย์บอกว่าอย่าทำบาปเน้อ จะเป็นอย่างนี้มันเป็นบาปนะเป็นอกุศ่เอ้ยตายแล้วศูนย์จะมีอะไรในเมื่อไปเจอของจริงเข้าขทนีนั่นแหละหกรรมชั่วอย่าทำเฉยดีกว่าเพราะกรรมชั่วเมื่อทําแล้วตัวเองจะเดือดร้อนเมื่อภายหลังตาบอดจะเดือดร้อนเมื่อภายหลังพูดง่ายๆนะพราะนั้นขอให้พวกเราทุกทกท่านก็น่าศรัทธาญาติโยมทุกหมู่เรานะต่อเนี้ไปนั่งสมาธินะัที่นี่นะ ก่อนที่จะนั่งสมาธิกระนมมือขึ้นระหว่างอกอย่างที่ว่าไหวครูสัก่อนพุทโธธรรมโอสังโฆล้ำลึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์จากนั้นก็แผ่เมตตาตนจงเป็นสุขผู้อื่นจงเป็นสุขข้าพเจ้าต้องการความสุขอย่างไรผู้อื่นสัตว์อื่นวิญญาณอื่นดวงใจอื่นก็ขอให้มีความสุขอย่างที่ข้าพเจ้าต้องการอย่างที่ข้าพเจ้าปรารถนาเอาเวลานั่งสมาธิทุกครั้งเมื่อออกจากสมาธิก็อุทิศส่วนกุศลอีก บุญกุศลที่เข้าไปเจ้าได้นั่งสมาธิในคราวนี้บังคับจิตบังคับใจด้วยความทุกขเวทนามากมายหลายอย่างบุญกุศลที่เกิดจากการนั่งสมาธิก็ขอให้เป็นพรังเกื้อกูลหนุนวิญญาณพ่อแม่ปูญญ่ย่าตายายตกทุกข์ได้ยากอย่างไรก็ขอให้ท่านเหล่านั้นจงพ้นจากทุกขมีความสุข อย่างที่ข้าพเจ้าต้องการอย่างที่ที่ข้าพเจ้าปรารถนาทุกๆดวงดวงวิญญาณด้วยเทินเวลาก่อนที่เราจะออกจากสมาธิผมอุทิศ ส, ส่วนกุศลอีกรอบนึงทุกครั้งที่พวกเรานั่งสมาธิน ะ, ะต่อนนี้ไปก็นั่งสมาธิ